อนาปฏิวานพิกษุต่อไเป็นนี้ไม่ต้องอบัตคือ581 1. ภิกษุณนีผู้เป็นญาติซักให้โดยมีเพื่อนพิกษุนีผู้ไม่ใช่ญาติคอยช่วยเหลือ 2. ภิกษุเจ้าของขนเจียมที่พิกษุนีอ า, าสาซักให้ 3. ภพิกษุใช้ให้ซักขนเจียมที่ทำเป็นสิ่งของซึ่งไม่ได้ใช้สอย 4. ภิกษุใช้ให้ศิขมานาซัก5พิกษุ ใช้ให้สำเนรีซัก 6. ภิกษุวิกลจริต 7. ภิกษุต้นบัญญัติเอละกะโลมะโทวาปะนะสิกขาบทที่ 7. จบ